เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรตายแล้วไปไหนได้บ้างยังอยู่และควรทำอะไรดีอ่านคำตอบแล้วคุณจะเป็นอีกคนที่มีสิทธิ์รู้จักความสุขอันมหาศรรย์